เราด้วยการกี่คนนะห้าคนก็กับพาลูกท้องม า, าปิดล่านนะเอดีมาหาทรัพย์ภายในบ้างทรัพย์ทรัพย์ไปนอกตายไปเอาไปไม่ได้ทรัพย์ภายในเอาไปได้ทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลเป็นอาหารของใจ เป็นเครื่องดื่มของใจใจมีบุญมีกุศลแล้วจะมีความอิ่มมีความสุขถ้าใจไม่มีบุญไม่มีกุศลก็จะทุกข์ใจหิวใจอยากวันนี้พาลูกชายกับเพื่อนเข้ามาเลยอยากจะถามอะไรไหม ตอนท้ายนะตอนต้นเอาภาษาไทยก่อนที่เพือนเพื่นมาคัดนานมาจะมาปฏิ เห็นทางเห็นทางออกจากวงเวียนตอนนี้พวกเราบางคนยังไม่ยังไม่เห็นทางยังเวียนอยู่ในวงเวียนอยู well. ่วงเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายวงเวียนของความอยากอยากแล้วก็ทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่ก็ทำใหม่ทำอยู่เรื่อยเพราะอยากอยู่เรื่อยอยู่เฉยไม่ได้ อยู่เฉยๆแล้วจะตายให้ได้ไม่ได้ทำอะไรอยู่ที่นี่ก็ต้องไปนู่นอยู่ที่นู่นก็ต้องมานี่เพราะไม่รู้จักควบคุมใจใจเป็นเหมือนสัตว์ป่าถ้าเราเอามาฝึกมาควบคุมบังคับมันให้มันเป็นสัตว บ้านได้มันก็จะอยู่ภายใต้คำสั่งของเรามันก็จะไม่ไปสร้างเรื่องสร้างปัญหาต่างๆ mm. ที่บ้านมีทั้งหมดกี่คนที่ทำงานห้าคนนะสี่คนคนเออคิดว่าทำกานสองคนสวยร้านใหญ่นะไม่ใหญ่เจ้ค่ะ ตนนี้พาคุณแม่มาได้ป่ะไม่ได้พามาก็ค่ามีอะไรอยากจะถามไหมไม่มอีอันนี้ก็มีอยู่หกคนที่สำนักปฏิบัติในสวนมีการปฏิบัติกันตามเวลาป่ะ เช้าตื่นขึ้นมาก็ไหว้หพระสดนอนนั่งสมาธิอย่าปล่อยให้เวลามันหมดไปกับการกระทําอย่างอื่นควรเอาเวลามาปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่เป็นการพัฒนาจิตใจปรับปรุงจิตใจให้เป็นจิตใจที่ดี ที่มีความสุขถ้าเราไม่เอามาปรับปรุงตัวเองมันก็จะไม่มีการพัฒนามันก็จะเป็นเหมือนเดิมเคยเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะให้มันดีกว่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องกําจัดสิ่งที่ดีแล้วก็ควรที่จะพัฒนา ทำให้มันมีมากขึ้นจิตเรานี่มันจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เรารู้จักควบคุมมันหรือไม่รู้จักควบคุมจิตไม่ให้มันไปสร้างความทุกข์รู้จักควบคุมจิตให้สร้างแต่ความสุขการกระทำของจิตนี่ก็ทำได้ สองทางสองสามทางด้วยกันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองก็ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองก็ได้หรือเฉยๆกลางๆไม่ได้สร้างสุขหรือทุกข์ให้กับตัวเองส่วนใหญ่เรามักจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองเพราะเราคิดว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับเรา แต่มันกลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเช่นเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขมันก็เลยทําให้เราทุกข์กับการที่ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้อันนี้ก็ทุกข์นะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว พออยากจะได้อะไรนี่นั่งเฉยๆไม่ได้อยากจะดื่มกาแฟนี่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องไปหากาแฟมาดืม่มพอได้ดื่มกาแฟก็คิดว่ามีความสุขแต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นทุกข์มาทุกข์ก่อนแล้วทุกตอนที่อยากจะดื่มนะถ้าไม่ไม่คิดอยากจะดื่มกาแฟถ้ามันก็ไม่ทุกข์ละ ก็ไม่ต้องไปหากาแฟมาดื่มคนที่ก็ไม่ดื่มกาแฟเขาก็ไม่ทุกข์กับการหากาแฟมาดื่มเพราะเขาไม่เคยคิดอยากจะดื่มกาแฟเขาก็เลยเฉยๆไม่เดือดร้อนจะได้ดื่มกาแฟหรือไม่ได้ดื่มกาแฟก็ไม่เดือดร้อนแต่คนคิดอยากจะดื่มกาแฟนี่ก็ต้องไปหากาแฟมาดื่มหรือสูบบุหรี่ก็เหมือนกันคนที่คิดจะ คิดจะสูบบุหรี่ก็ต้องไปหาบุหรี่มาสูบถ้าไม่ได้สูบก็หงุดหงิดนำคาญใจพอได้สูบก็มีความสุขก็เลยคิดว่าการสูบบุหรี่นี้เป็นความสุขความอยากจะสูบบุหรี่เป็นความสุขแต่ไม่คิดตอนที่ว่าอยากแล้วไม่ได้สูบมันเป็นยังไงมันสุขแล้วมันทุกข์ คนที่ไม่อยากแล้วไม่ได้สูบเขาไม่เดือดร้อนนคนที่เขาไม่ติดบุหรี่เขาก็ไม่เดือดร้อนจะมีบุหรี่ให้เขาสูบหรือไม่เขาก็เฉยเฉยแต่คนที่อยากสูบบุหรีน่นี่ต้องมีบุหรี่ให้สูบไม่ฉชนั้นแล้วจะหงุดหงยดจะลาคาญใจไม่สบายใจ <c oughs> นี่คือการกระทาที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเอง ก็คือการกระทำไปในทางความอยากต่างๆ<ม>พออยากแล้วมันก็ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขนะอยู่เฉยๆไม่ได้นะ<ม>ต้องไปทำตามสิ่งที่เราอยากได้<ม>พอเราได้ทำเราก็เกิดความสุขขึ้นมาเราก็เลยคิดว่านี่เป็นการหาความสุข<ม>แต่มันเป็นความสุขเดี๋ยวๆเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมา ก็ต้องไปทำตามความอยากถ้าไม่ได้ทำก็ก็ไม่สบายใจแล้วก็จะไปทำพอไม่สบายใจก็จะอาจจะไปทำอะไรเสียหายไปว่าคนนั้นไปว่าคนนีไนน้ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้เวลาเราไม่สบายใจนี่เวลาเราคุยกับคนนี้จะคุยไม่ดีจะพูดไม่ดีพูดแบบหาเรื่อง ใครมาคุยด้วยก็ไม่อยากจะคุยด้วยเวลาคนอารมณ์ไม่ดีจะพูดไม่ดีแล้วก็มีความเสียหายพูดไปไม่ดีก็ทำให้คนเขาไม่ชอบกี้หน้าเราคนเขาก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเราก็เสียเพื่อนอีกเสียใจนี่ยเป็นเป็นเป็นปัญหาเป็นลูก เป็นเป็นลูกโซ่ตามมาปัญหาต่างๆกายโทษต่างๆผลไม่ดีต่างๆมันเป็นโลูกโซ่ตามมาเนื่องจากความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะเฉยๆสบายสบายไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกโกหธเยดเวลาคุยกับใครก็คุยกันได้อย่างสบาย ไม่คุยแล้วทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วถ้าเราอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่เราอยากด้วยวิธีที่ถูกต้องเราก็อาจจะไปทำด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นเราไม่มีเงินซื้อของที่เราอยากได้เราทำงานเงินไม่พอใช้เราก็อาจจะต้องไปโกงไปขโมยเงินมาเพื่อที่จามาใช้ตามความอยาก ถ้าถูกจับได้ก็มีโทษตามมาถูกจับได้อาจจะถูกไล่ออกจากงานถ้าโทษหนักกว่านั้นก็อาจจะถูกจับเข้าไปขังคุกขังตารางปัญหาร้อยแปดตามมาจากการที่เราคิดไปในทางความอยากทาตามความอยาก <c oughs> ในทางตงัวกันข้ามถ้าเราคิดไปในทางไม่อยากได้เราก็จะไม่ต้องทําอะไร อยู่เฉยๆก็มีความสุขได้วิธีที่จะคิดมาให้เกิดความอยากก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเราได้อะไรมาเราก็ดีใจแต่เวลามันจากเราไปเราก็เสียใจทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากไปบางอย่างก็จากไปเร็วเช่นบุหรี่นี่พอได้มาสูบพอสูบ ป, ปับ๊บมันก็หมดละ พอหมดแล้วพอก็ต้องไปหามามามาสูบใหม่ถ้าไม่มีก็ทุกข์อีกหรือคนที่เรารักคนที่เราชอบเวลาเราได้เขามาเราก็มีความสุขใจแล้วเดี๋ยวเวลาเขาจากเราไปเราก็เสียใจให้คิดว่าทุกอย่างที่เราได้มาทุกอย่างที่จะให้ความสุขกับเรานั้นมีวันที่จะต้องหมดไปมีวันที่จะต้อง จากเราไปแล้วมีวันที่เราจะต้องจากเขาไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะได้อะไรได้มาแล้วทุกเอามาทําไมได้มาแล้วถึงแม้ว่าจะมีสุขแต่มันสุขตอนต้นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทุกตอนปลายบางทีเขายังไม่ทันจากไปเราก็ทุกแล้วทุกเพราะห่วงใหญ่แล้วกังวลแล้ว กังวลว่าเขาจะเป็นอะไรไปกังวลว่าเขาจะไม่อยู่ห่วงเขาเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ห่วงเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เวลาเวลาที่ยังที่ไม่ได้ก็ทุกข์อีกแบบหนึง่งเพราะว่าเวลาไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้มันก็ เสียใจไม่สบายใจกังวลกวายใจ เ, เวลาเรารอสิ่งที่เราอยากได้นี่เรารู้สึกไงกังวลก้าวายไหมเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็มากังวลกับของที่เราได้เอ๊ ะ, อะมันจะดีไปเรื่อยเรื่อยหรือเปล่ารืเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสีย เดี๋ยวมันจะหายไปหรือเปล่านี่ก็ทุกอีกแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาเขาไปจริงๆเสียจริงๆเราก็ทุกข์อีกให้คิดแบบนี้ว่าทุกอย่างที่เราอยากจะได้นี่มันทำให้เราทุกข์ใจตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มความอยากเลยพอเริ่มอยากปั๊บมันก็ทุกข์ละไม่สบายใจลพอได้มาก็ทุกข์อีกแล้วแล้วพอเสียไปก็ทุกข์อีก ทุกทั้งสามระยะเลยระยะเริ่มต้นตั้งแต่คิดอยากจะได้นี่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะได้อะไรนี่มันนอนไม่หลับกินไม่ได้อยากจะไปเอาไว้สิ่งที่เราอยากได้พอได้มาก็ต้องมาทุกกับการดูแลรักษามาห่วงใยมามาวิตกมากังวลอย่างเงแล้วเดี๋ยวเวลาเสียไปก็ทุกข์อีก ของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของต่างๆมันมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนได้เจริญมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเกิดมีการดับแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ไปหยุดเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ เวลาเขาจะเป็นอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เวลาเขาไม่ดีกับเราเราก็เสียใจอยากให้เขาดีเขาไม่ดีเราก็เราก็ทุกข์นี่คือการคิดคิดแบบที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากทำอะไรถ้าเราไม่มีความอยากต่างๆเราก็อยู่เฉยๆได้ สบายไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องไปทํางานไปหาเงินหาทองถ้าจะทําก็ทําเฉพาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นที่เป็นภาระหน้าที่ที่เรายังยังต้องทําอยู่เพราะเรายังมีร่างกายอยู่เรายังต้องเลี้ยงร่างกายนี้อยู่แต่การเลี้ยงร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โต ปัญหาใหญ่ัวอยู่ที่การเลี้ยงความอยากเพราะความอยากเรามันมีหลายตัวมีหลายคณะมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเราเลี้ยงความอยากนี่ความอยากมันจะอยากมากขึ้นไปตอนต้นก็อยากจะได้แค่แค่ร้อยหนึ่งพอได้ร้อยหนึ่งก็อยากจะได้พันหนึ่งนะพอได้พันก็อยากจะได้หมื่น มันจะขยายตัวไปเรื่อยความอยากตอนต้นก็ขอเป็นเศรษฐีเงินล้านพอได้ล้านหนึ่งก็ดีใจแล้วเดี๋ยวสักพักเห็นคนอื่นก็มีมากกว่าก็อยากจะได้เหมือนเขาก็อยากจะได้เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านมันไม่มีวันหยุดยได้ร้อยล้านก็ยังไม่พอใช่ไหมได้พันล้านก็ไม่พ อ, อนี่แหละคือ คาคิดคิดไปได้สองทางคิดไปในทางความอยากกับคิดไปในทางความไม่อยากจะคิดไปในทางความไม่อยากต้องคิดว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนั้นความจริงมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสุขปลอมมันหอมมันหุ้มห่อความทุกข์อยู่เหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลน้ำตาลมันเคลือบอยู่นิดเดียวเวลาที่เราอมใหม่ๆมันก็ยังไม่ขม ว่ามีน้ำตาลอยู่ทําให้เรากินยาขมได้ถ้าไม่มีน้ําตาลนี่นเวลาเราจะกินยาขมแต่ละครั้งนี่เราก็ไม่อยากจะกินเพราะมันขมเขาถึงต้องเคลือบน้ําตาลเพื่อให้เราเกินมันเข้าไปง่ายๆแต่ถ้ามันต้องเกินของขมนี่มันเกินไม่ลง ท, ทุกอย่างมันเป็นอย่างเนี้ยเป็นความทุกข์ที่หุ้มห อ, อกับหุ้มห่อด้วยความสุขบางๆ ความสุขแบบควันไฟควันไฟเวลาได้อะไรมาใหม่ๆนี่ดีใจแล้วทีนี้ก็ต้องมาทุกกับการหวงทุกกับความห่วงทุกกับการสูญเสียเนี่ยพยายามมองอย่างนี้แล้วจะจ ะ, จะตัดความอยากต่างๆได้แล้วพอเราไม่มีความอยากนี่เราจะแทนที่เราจะไม่เดือดร้อนแทนที่เราจะ ไม่มีความสุขแล้วกับมีความสุขความสุขอยู่ที่การไม่มีความอยากความทุกข์อยู่ที่การมีความอยากแต่เรามองไม่เห็นเรามองกับตาลำบัดไปเรามองเห็นว <ger> ่าความสุขอยู่ที่การมีความอยากเพราะเรามีความอยากแล้วเราจะได้ไปทําตามความอยากแล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็มีความสุขกันเราก็เลยคิดอยากกันอยู่ได้เรื่อย อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่แต่ไม่มองเห็นตอนที่ก่อจะได้มันมาเนี่ยมันสุขหรือทุกข์แล้วเราได้มาแล้วมันสุขหรือทุกข์สุขได้สุขได้สักกี่วันแล้วลังจากนั้นมันกลายเป็นการเป็นทุกข์หรือกลายเป็นสุขไปคนที่ไม่มีเงินอยากจะซื้อของก็ผ่อนซื้อเงินผ่อนพอได้ของมาก็ดีใจแล้วต้องมาทุกกับผ่อนแล้ว ทุกเดือนทุกเดือนก็ต้องส่งเงินไปให้เขาเวลาไม่มีเงินส่งก็ทุกอกีกเวลาส่งเงินให้เขาก็เสียดายก็ทุ ก, อ, กอีกแบบเนี่มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นหมองเรามองมันที่ความสุขความสุขที่เราได้มันมาได้ ม, มาทํานู่นทํานี่อได้ของมากินได้ของมาฟังได้ของมาดื่ม มเป็นมีความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องต้องไปหามาเติมพอถ้าเติมไม่ได้ก็ทุกข์อีกฉะนันเรามาคิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่อยากดีกว่า <Yeah. S 1> คิดว่าของทุกอย่างที่เราได้มา mm hmm. ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเสื่อมมันจะต้องเสีย mm hmm. มันจะต้องจากเราไปเราจะได้ไม่อยากได้ mm hmm. การอยู่เฉยๆไม่มีความอยากนี่มีความเป็นเป็นสุขนะแต่เราอย่าไปคิดว่าไม่สุขนะเป็นแต่เราไม่เคยอยู่แบบนี้เราก็เลยคิดว่าจะมีสุขได้ยังไงเราคิดว่าเราความสุขของเราอยู่ที่เราได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานได้ทําอะไรต่างๆตามความอยากของเราแต่เราไม่เคยอยู่แบบที่ไม่มีความอยากดูเวลาเราไม่มีความอยากดูนี่ ไม่อยากจะทำอะไรอยู่เฉยๆสบายไม่รู้สึกเปิดอัดไม่รู้สึกว่าเวไม่รู้สึกรำคาญใจถ้าหยุดความอยากได้เราลองมาหยุดความอยากแบบชั่วคราวก่อนก็ได้ก็โดยการนั่งสมาธินี่นั่งสมาธิแล้วก็หยุดความคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราไม่คิดอะไรความอยากก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ความอยากมันตามมา ตามความคิดมาพอคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงที่เที่ยวก็อยากไปเที่ยวคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะติดต่อเขาอยากจะไปเจอเขาเกิดความอยากตามมาแต่ถ้าเราไม่คิดเราพุดโธพูดโธพูดโธไปความอยากก็ไม่ตามมาพอไม่มีความอยากเราก็รู้สึกสบายถ้าเรานั่งเฉยๆเราพูดโธไปเดี๋ยวมันก็จะตกหลุมตกบ่อ พอตกลุมตกบ่อแล้วทีนี้มันจะไม่อยากเลยมันจะความอยากหายไปหมดชั่วคราวตอนนั้นใจเราจะรู้สึกมีความสุขมากใจสงบนี่แหละคือความสุขใจสงบเพราะหยุดความอยากได้ชั่วคราวถ้าเราลองได้พบกับความสุขที่เกิดจากการจากความสงบของใจเกิดจากความหยุดของความอยากต่าง เราก็จะได้รู้ว่าเรามีสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปเหนื่อยไปหาสิ่งต่างๆมาเวลาหาก็เหนื่อยทุกเวลาได้มาก็เหนื่อยทุกเพราะต้องคอยรักษาแล้วเดี๋ยวเวลาเขาจากไปก็ทุกข์อีกเนี่ยคือ วิธีคิดคิดแบบนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากได้ตอนต้นหยุดไม่หยุดด้วยความคิดไม่ได้ก็ต้องหยุดด้วยพุทโธก่อนหยุดคิดก่อนอย่าให้มันไปคิดอะไรนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปก่อนที่จะมานั่งหลับตาท่องพุทโธได้นี่ต้องท่องพุทโธเป็นก่อนถ้าท่องพุทโธไม่เป็นมานั่งมันจะท่องไม่ได้มันท่องได้คำสองคามันก็ไปกล้ เดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากก็นั่งต่อไปไม่ได้เพราะเกิดความอยากแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมามันจะให้เราลุกขึ้นมามันก็เลยสร้างอาการต่างๆมาให้เราลำคานจนในที่สุดเราก็นั่งไม่ได้เราก็ต้องลุกไปทําตามความอยากแต่ถ้าเราฝึกพุทธโธไว้ก่อนที่เราจะมานั่งเนี่ย ลองหัดฝึกทั้งวันไปดูนะเตื่นขึ้นมาก็ลองพุทโธพุทโธไปแทนที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะไปทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปไปอาบน้ำแต่งตัวนั่งหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารตรงนั้นก็พุทโธพุทโธไปเดินทางไปทำงานก็พุทโธพุทโธไปจะหยุดพุทโธก็ตอนที่เราทำงาน ตอนที่เราต้องใช้ความคิดกับการทำงานแต่ถ้าวันไหนไ ม, ไม่ต้องไปทำงานก็ดีไม่ต้องไม่ต้องใช้ความคิดเลยพอเราอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวเสร็จเราก็พุทโธพุทโธเดินจงกรมไปพอเราเมื่อยเราก็นั่งพุทโธพุทโธไปสลับกันไปอย่างเงี้ยเดินกับนั่งพุทโธไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วรับรงได้ว่าจิตจะต้องตกหลุมตกบ่อ แล้วจะได้พบกับความสุขที่เราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเสียอะไรเสียเวลามันอยู่ในตัวเรามีอยู่ในตัวเราแต่เราไปเราไปกั้นมันไว้ด้วยความอยากของเราเองแล้วเราก็หยุดความอยากเราไม่ได้หยุดความอยากเราไม่เป็นก็หยุดความอยากของเราตั้งตั้งแต่เกิดมาเนี้ยเวลามันอยากได้อะไรก็ถามว่าไม่เอาไม่เอ า, ไ, เอาได้ Picasso. นอกจากของที่เราไม่ชอบเท่านั้นนะเราถึงอยากไม่ไม่อยากไม่เอาได้แต่ของที่ชอบนี้บอกไม่เอาได้ไม่ได้ต้องเอาให้ได้อย่างเดียวเราไม่รู้จักหยุดความอยากกันเพราะเราคิดไม่เป็นต้องคิดแบบที่พระเจ้าสอนให้คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วมันจะเป็นทุกข์มา ก, ก็าเป็นสุขนมองให้เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้ เนอยากจะมีแฟนเนี่ยมองให้เห็นว่ามีแฟนแล้วมันทุกขนะ์ไม่เชื่อลองไปถามคนที่เขามีแฟนดูทุกข์ว่าเปล่าแต่เขาก็ไม่บอกเนีย่ยเขาเข า, ขาก็อยายเขาก็ต้องบอกมีมีสุขนะมีทุกข์บ้างแต่มันก็ยังมีสุขแต่เวลาทุกข์ก็บางทีก็อยากเจรเหมืกันเลย ต้องเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้เราจะทำให้เราหยุดความอยากได้เช่นเราเห็นทุกข์ในการเสพยาเสพติดใช่ไหมเราถึงไม่เสพยาเสพติดกันอพอเราเห็นว่าเสพแล้วมันติดติดแล้วมันตายต่อไปถ้าเสพแล้วหยุดไม่ได้วิ์ของยาเสพติดมันทำให้เราตายได้เราก็เลยไม่กล้าเสพกัน อ, อย่างสมัยที่มีโรคเอช แพ่หลายนี่ก็เลิกเที่ยวกันได้กลัวจะติดเชื้อโรค ก, กันเ<ม>พราะรู้ว่าถ้าไปทาตามความอยากเที่ยวเดี๋ยวติดเชื้อมาแล้วตาย<ม>ก็ไม่กล้าเที่ยวกัน<ม>แต่ตอนนี้อย่างนี่ก็มียาคุมมันได้แล้วทีนี้ก็อาจจะไม่กลัวเอิดแล้วก็อยากจะเที่ยวกันต่อ<ม>เราต้องเห็นว่าทำตามความอยากแล้วตายท่านั่ น, นถึงจะไม่กล้าทำกันใช่ไม ถ้าเห็นถ้าเป็นเครื่องดื่มเ็าเขียนว่าดื่มดื่มเครื่องดื่มนี้แล้วตายนี้เราจะกล้าดื่มนะมั้ยมีมีกระโหลกศรีรษะพาดกะโหลกติดไว้ตรงขวดนะบอกว่าอันตรายเครื่องดื่มนี้ดื่มแล้วตายทันทีเราจะไม่กล้าดื่มเสียดายก็ไม่มีป้ายติดว่าของทุกอย่างที่คุณซื้อนี้เป็นทุกข์นะถ้าเ็าเขียนว่าซื้อไปแล้วจะต้องทุกคุณอยากจะซื้อนะ เราต้องติดป้ายกับสินค้าทุกชนิดเลยติดเป็นเลยว่าทุกเอาป้ายไปติดทุกอย่างที่ในร้านที่เขาขายทุกทุกทุกทุกทุกอเห็นว่าทุกจะได้ไม่ซื้อมาเสียดายเงินเก็บเงินไว้ใช้ของที่ไม่ทุกดีกว่าของที่ไม่ทุกก็คือเอาไปทาบุญไงเนี่ยไม่ทุกเอาไปทำบุญเนี่ย เป็นเป็นสุขทำบุญแล้วก็มีความสุขถ้าเราเอาเงินที่จะไปซื้อความทุกข์ไปเอาไปทำบุญก็เท่ากับเราเอาเงินไปซื้อความสุขเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวมันจะทุกข์เพราะมันจะติด เ, เวลาไม่ได้เที่ยวก็ทุกข์แต่ถ้าเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเอไปก็ไม่ติดไม่เที่ยว พอไม่พอไม่ได้เที่ยวต่อไปมันก็ไม่ติดมันก็ไม่ทุกข์ทำบุญแล้วก็มีความสุขทาบุญแล้วรู้สึกสบายใจอิ่มเอิบใจเราได้เสียสละเราได้ตัดความหวงความเห็นแก่ตัวทำให้เรามีความสุขขึ้นเพราะเวลาเราทำบุญนี่เราทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเรานั้นเอง ทำให้กลับตัวเรากับทุกข์เพราะทำแล้วอยากจะทำอีกอยากจะทำให้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแล้วพอไม่ได้ทำก็จะทุกข์แต่ถ้าทำให้คนอื่นแล้วจะสุขแล้วก็จะไม่เกิดความอยากจะทำให้มากกว่านั้นถ้ามีก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ทำเวลาไม่ได้ทำก็ไม่ทุกข์นั้นเรามาหยุดความอยากกัน มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติใช้พุโทโธ อ, อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราอยากแล้วนั่งสมาธิด้วยพุโทโธจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วขั้นที่สองก็ให้คิดไปในทางปัญญาคิดว่าของต่างๆสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทุกครั้งอยากจะได้อะไรเอาป้ายทุกข์ไปติด้เไยได้มาแล้วจะทุกข์ มันจะได้ไม่อยากได้มันต้องทุกในรูปแบบได้รูปแบบหนึ่งทุกอย่างของที่เราได้มาแล้วทุกช้าหรือทุกเร็วมแต่มันต้องทุกแน่นอนรถยนต์เนี่ยซื้อมาใหม่ๆก็สุขเดี๋ยวเกิดมันเสียขึ้นมาก็ทุกแล้วขับไม่ได้ต้องเอาเข้าอู่เรายิงถ้าซ่อมไม่ได้แล้วซ่อมมาแล้วขับวิ่งได้สองสามวันเสียอีกแล้วซ่อมสองสามวันเสียอีกแล้ว ทีนี้ก็ไม่อยากจะได้รถคันนี้แล้วเราต้องมองเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งที่เราคิดว่ามันแน่นอนเราคิดว่าของที่เราซื้อมานี้มันจะต้องให้ความสุขเราเพียงอย่างเดียวแต่มันไม่แน่นอนของมางอย่างซื้อมามันไม่เสียใช้ไปได้เรื่อยๆใช้ไปได้นานจนบางทีก็แปลกใจเมื่อไหร่มันจะเสียสักทีบางทีมันไม่เสียก็อยากจะให้มันเสียแล้วจะได้เปลี่ยนใหม่ ก็ทุกอกีกทุกเพราะเราไม่เสียอกีกนัวนนี่คือความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ความอยากของพวกเราแล้วสิ่งที่จะหยุดความอยากเราได้ก็มีสองธรรมะธรรมะอันแรกก็คือสติควบคุมความคิดด้วยพุทธโธพุทธโธพอเราหยุดความอยากได้แล้วพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจมา อยากไปอยากไปอยาก้วเหมือนกับแกว่งเท้าไปหาเสียงตอนนี้เราอยู่เฉยๆสบายอยู่แล้วไปแกว่งเท้าไปหาเสียงทาไมไปหาเรื่องทาไมเรามีความสุขจากการไม่มีความอยากแล้วเราไปสร้างความอยากขึ้นมาทำไมพออยากแล้วถ้าเราไปทาตามความอยากเราก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วพออยากได้อะไรเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องไปทำอะไรที่เพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากมา แล้วพอได้มาแล้วก็ต้องมาห่วงเขาอีกมาห่วงเขาอีกมากังวลอีกมาต้องดูแลรักษาอีกแล้วดูแลดีขนาดไหนเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปมันฉะนั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือปัญญาคิดแบบปัญญาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะเอาชนะความอยากได้ แ้วเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องมีอะไรมากมายมีเพียงปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมิยารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหง่มนี่แบบที่ในหลวงสอนในหลวงองค์ก่อนท่านสอนเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพอมีพอกินก็พอแล้วอย่าไปหลงกับล า, าบยศสรรเสริญเลยได้มาเท่าไหร่มันไม่ทาใหเราอิ่มไม่ใหเราพอ เวลาอยากได้ก็ต้องให้เราก็ต้องดิ้นรนนะต้องเหนื่อยนะต้องขวนขวายต้องแก่งแย่งชิงดีกันต้องต่อสู้กันถ้าเดี๋ยวไม่ดีก็ไปมีเรื่องมีราวกันมีปัญหาต่อกันได้มาก็ต้องมาคอยดูแลรักษาเวลามันเสียมันเป็นอะไรไปก็ปวดหัวกันมาอีกอ่ะนี่คือวิธีที่พระเจ้าสอนให้เราคิด อย่าคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์คิดไปในทางความอยากจะทาให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่อยากจะทำให้เรามีความสุขมีความสบายใจถ้าเราสามารถสอนใจให้คิดไปในทางไม่อยากได้เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมีาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราเรามีความสุขภายในใจของเราแล้ว สุขสุขที่การไม่มีความอยากนี่พอไม่มีความอยากใจก็จะสงบทุกวันนี้ใจเราไม่เคยสงบเลยเพราะใจใจเราอยากอยู่ตลอดเวลาไม่อยากได้นั่นก็อยากได้นี่ได้นี่แล้วก็อยากจะได้นั่นต่อได้นั่นแล้วก็อยากจะได้นู่นต่ออยากไปเรื่อยๆเลยใจเราอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ปับใจก็จะนิ่งนิ่งแล้วก็สบายมีความสุข ไม่ต้องไปหาอะไรมาไม่ต้องไปทำอะไรสบายจะตายทำก็เพียงแต่ทำเพื่อร่างกายไปเท่านั้นเองที่เรายัางมีความรับผิดชอบกับมันอยู่เมื่อร่างกายมันยังไม่ตายก็ต้องดูแลมันไปตามอัตภาพดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันตายไปเช่นไม่มีปัญญาไปหาอาหารมาเลี้ยงมันจะอดตายก็ต้องปล่อยมันอดตายไป ใจที่ไม่มีความอยากจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายที่เราทุกข์กับร่างกายเพราะเรามีความอยากกับร่างกายอยากให้มันไม่ตายอยากให้มันไม่เจ็บกันแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่ตายไม่ไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บเราจะไม่เดือดร้อนเวลามันตายเวลามันเจ็บเวลามันอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนเราเลี้ยงมันได้กับเลี้ยงไปเลี้ยงไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไป เรามองร่างกายเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นเลยร่างกายของคนอื่นเขาจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันถ้าใจไม่มีความอยากกับร่างกายแล้วมันก็เหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไม่อยากด้วยใช่ไหมเขาจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมนั่นแหละเพราะเราไม่มีความอยากกับร่างกายของคนอื่นถ้าเราไม่มีความอยากกับร่างกายของเราเราก็จะ เราก็จะเห็นร่างกายของเรานี่เหมือนกันเราเห็นร่างกายของคนอื่นจะไม่เดือดร้อนเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันจะตายไม่มีปัญหาอะไรขอให้เรามาหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้เถิดตอนต้นก็หยุดด้วยสติก่อนมันง่ายหยุดด้วยปัญญามันยากคิดไม่เป็นมองไม่เห็นหเอาสติก่อนพุโทโธพุโทโธก่อนหยุดความอยาก พอหยุดความอยากใจสงบก็เกิดความสุขขึ้นมาก็จะเห็นคุณค่าของการหยุดความอยากว่าได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากตอนนี้ก็เลยเอาไปเอาไปสอนใจได้แล้วต่อไปเวลาใจอยากได้อะไรก็บอกอย่าไปอยากเลยสิ่งที่ได้มาสู้กับความสุขที่เราได้ที่เรามีอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เรื่องอะไรจะเอาของดีไปแรกของไม่ดีเอารถเบนซไปแรกรถโตโยตานะ้าไหอ เก็บรถเบนไม่ใช่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญสุขถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าอย่าไปเอามาเลยของต่างๆในโลกนี้สู้ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ไม่ได้ท่านี้ก็จบแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอด ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับการกินอยู่ของร่างกายอยู่แบบขอทานก็ไม่เดือดร้อนดูพระพุทธเจ้าคอยเป็นเจ้าชายเป็นราชโอรสอยู่อย่างมหาเศรษฐีแต่กับชอบไปอยู่แบบขอทานเพราะว่าท่านไม่ได้หวังความสุขจากร่างกายไม่ต้องใช้ความสุขจากร่างกายท่านมีความสุขจากความสงบนั่งับจากความอยากต่างๆใจมีความสุขมากกว่า แลยไม่ต้องมีความสุขจากทางร่างกายร่างกายจะกินอยู่แบบไหนไม่เดื อ, อดร้อนไม่เป็นปัญหา น, นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งนี้หัวใจของศาสนาอยู่แค่ตรงเนี้อยู่ที่การหยุดความอยากเพราะความอยากนี้เป็นปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาที่ ทำให้โลกทั้งโลกนี้เป็นวุ่นวายกันเป็นหมดทุกวันนี้ก็อยู่ที่ความอยากนี้ถ้าทุกคนตัดความอยากถ้าทุกคนก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขจะไม่ไปเบียดเบียนกันจะไม่ไปยุ่งกันไม่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันนะกันก็ลองเอาไปพิจารณาลองเอาไปปฏิบัติดูก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริกวะหาปุราาริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิต e ูทินังเปตานังอุปกาปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจะตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณีโชติ ภราสุยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพปรกโควินาศตุมัตถาวัตวันตาลายยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทานสีริตสะนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวันโสุขัง พมาค้างหรือเปล่าแล้วจะกลับค้างเลยืออปล่มาค้างคืนนึงเลยเป็นครั้งแรกเหรอที่พามากันเมื่อก่อนไม่เคยพาไปไหนเลยหรือไปไปที่อื่นหรือเปล่าไม่เคยทําไมคิดถึงพาให้เขามาที่นี่ล่ะ ก็มาเที่ยวไว้วยจะได้สองต่อแล้วก็ได้สองเด้งเลยนะได้ได้เที่ยวแล้วก็ได้ธรรมะด้วยก็ดีฉลาดดีดีกว่าเอาเอาเรื่องเดียวคือเรื่องเที่ยวะอเรื่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์เดียวเเดียววลปได้เที่ยวก็สนุกกันพอกลับไปทํางานก็เหนื่อยอีก็ะแต่ถ้ามีธรรมะกลับไปนี้เอาธรรมะไปใช้ได้จะไม่เหนื่อย เวลาทำงานจะทำอย่างมีความสุขเพราะไม่ทำด้วยความอยากหรือไม่อยากทำใครตัวการหนังสือซีดีก็เอาไปได้นะอเอาไปแล้วต้องเอาไปอ่านนะมีการบ้านให้ทำ <c oughs> ถ้าไม่ทำการบ้านก็อย่าเอาไปเสียดายของของมันมีประโยชน์ แต่ถ้าเราไม่เอาไปอ่านมันก็เลยไม่มีประโยชน์วางไว้เฉยๆก็เอาไว้ให้คนที่เขาเอาไปอ่านเอาไปอ่านดีกว่าคนที่เขาอยากอ่านให้เขาได้อ่านดีกว่าถ้าเราเอาไปเพราะเราเกงใจอย่าเอาไปที่นี่ไม่ไม่ไม่ถือไม่เอานี่ไม่เสียใจ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเก่งใจต้องต้องเอาไปอยากจะให้ได้ประโยชน์จากการอ่าน ว่าแล้วจะหูตาสว่างจะรู้เรื่องของเราว่าเรากำลังเดินทางไปในทางที่ผิดเดินทางไปสู่ความทุกข์กันโดยที่เราคิดว่าเรากำลังเดินไปหาความสุข ก, กันอาจารย์คะท้าอาจารย์พูดถึงว่าทำงานด้วยความไม่อยากมันก็ทุกข์ใช่ไค ะ, ะถ้าไม่อยากทำก็ทุกข์ถ้าต้องทำแล้วไม่ไม่อยากทำมันก็ทุกข์แล้ว คืออย่างนี้นะคะ่ะเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรแต่ว่าคือด้วยที่ว่ามันต้องยังต้องเลี้ยงร่างกายอยูตต่มันก็ยังต้องทำจะทํายังไงให้นี่เราคิดยังไงที่จะใ ห, ให้มันมีความสุขอับการทำเขาคิดว่ามันเป็นทางสู่ความสุขที่เราต้องการไง <_ Connect> ถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่สามารถไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขได้เราก็เลยต้องทํามันเป็นเหมือนพาชนะเป็นเหมือนรถยนต์ เราต้องการที่จะไปกรุงเทพถ้าเราไม่ซื้อรถเราก็ต้องเดินไปถ้าเรายอม เ, ออเรายอมทำงานเพื่อเก็บเงินซื้อรถพอได้รถแล้วเดินทางแป๊ บ, ปบเดียวก็ถึงแต่ถ้าเราไม่ซื้อรถเราก็ต้องเดินไปแล้วมันจะใช้เวลานานกว่าหรืออาจจะเดินไปไม่ถึงก็ได้แล้วเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นปัจจัย ที่จะสนับสนุนให้เราได้ไปทําในสิ่งที่เราอยากจะทําให้เราไปได้ความสุขที่เราอยากจะได้ความอยากและความไม่อยากนี่มันเป็นทุกข์คือไม่อยากทําเมื่อต้องทํานี่มันก็จะเป็นทุกข์อยากทําแล้วไม่ได้ทําก็ทุกข์ต้องอยู่ระหว่างความอยากกับไม่อยากถึงจะ ไม่ทุกเฉยเฉยเออเฉยเฉยถ้าต้องทําก็ทําแบบเฉยเฉยไปไม่ได้ทําด้วยความอยากไม่ได้ทําด้วยความไม่อยากทําด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลมันมาขับให้ทําอย่างนี้เราไม่อยากจะมานั่งตรงนี้แต่ถ้าไม่อยากมานั่งมันก็จะทุกข์เมื่อมันต้องอยากเมื่อมันต้องมานั่งก็เลยต้องไม่ไม่ไปคิดไม่อยากมัน มานั่งก็มานั่งมันก็ไม่ทุกข์แต่คิดว่าอ๋อมาอีกแล้วสองมงมาถึงแลต้องมานั่งตรงนี้แล้วมันก็ทุกข์เลยถ้าไม่อยากมาใช่ไหอยู่ที่ว่าเราควบคุมความอยากเราได้หรือเปล่าบางทีเรารู้ว่ามันทุกข์แต่บางทีก็ควบคุมมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังสติที่จะหยุดมันถึงแม้ไปทำก็ไปทำแบบไม่อยาก มันก็ยังทุกยังหมุดหงิดกับการทำงานอยู่นั่นแต่ถ้าเรามีสติเราจะมีกำลังเวลามันอยากเราก็หยุดมันได้เวลาไม่อยากเราก็หยุดมันได้เราสามารถทำใจให้เราปราศจากทั้งความอยากและความไม่อยากมันเหมือนใชั่วขาวถ้าเกิดพูดโทนเนี่ยค่ะภาษาคือคนยังไม่ควรจะพูดคำไม่อยากความอยากไม่ทำดีกว่า มันเป็นความอยากเหมือนทั้งทั้งสองอย่างความอยากทำกับความอยาก <Zoom. S 1> ไม่ทำเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดว่าความไม่อยากนี้ไม่ไม่ดีความไม่อยากหมายความไม่ม pues. şey ีความอยากอะไรเลยแต่เรามักจะมีความอยากสองอย่างอยากทำหรืออยากไม่ทำทุกทั้งนั้นอยากทำก็ทุกอยากไม่ทำก็ทุกอยากทำแล้วไม่ได้ทำก็ทุกอยากไม่ทำแล้วต้องทำก็ทุก แต่ถ้าเราไม่มีความอยากทั้งสองอย่างเราก็จะไม่ทุกข์เมื่อต้องทําก็ทําเอไม่ได้ทําด้วยความอยากเมื่อไม่ได้ทําก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้อยากทํำนี่คือความาจริงมันเป็นความอยากความอยากได้กับความอยากไม่ได้ความอยากทํากับความอยากไม่ทําความอยากทําเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากไม่ทําเรียกว่าวิภาวะตัณหาอ มันเป็นความอยากทั้งสองอยา่อยางแต่บางทีเราใช้กันแบบไม่รอ้อไม่ลอบขอบ้อ เ, เราก็ใช้ควาว่าไม่อยากความจริงมันไม่ใช่ ม, มันอยากแต่มั น, มนอยากไม่ทำอยากไม่ได้สิ่งนี้อยากไม่เจ็บอย่างเงี้ยเรามักจะพูดไม่อยากเจ็บแต่ความจริงเราอยากไม่เจ็บกัน ถ้าเราไม่อยากเจ็บได้ก็ดีถ้าเราไม่มีความอยากกับความเจ็บเราก็จะไม่ทุกข์กับมันภาษาบางทีพูดแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ที่พูดคาว่าไม่อยากก็หมายถึงว่าไม่มีความอยากทุกชนิดความอยากจะได้หรืออยากไม่ได้ไม่มีในใจใจเฉยๆปราศจากความอยาก หยุดมันได้ด้วยสติถ้าไม่คิดถึงเรื่องต่างๆมันก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดไม่มีความปรุงแต่งความอยากก็หายไป <Yeah. S 1> แต่หายแบบชั่วคราวหายแบบหินทับหญ้าแต่จะให้มันหายอย่างถาวรต้องหายด้วยปัญญาหายเพราะว่าเห็นว่าทำแล้วจะเกิดทุกข์ไปทำเพื่ทำแล้วขาดทุนมันจะทําหะถ้ารู้ว่าเปิดร้านวันนี้แล้วเจ๊งจะเปิดไนหะ เปลเดียวกายเนะนั่นแหละมันต้องเห็นว่ามันเจ้งมันอถ้ามันยังเห็นว่ากําไรมันก็เปิดเออเวลาเราทําอะไรเราจะเห็นว่ามันสุขเราเลยทํากันเอแต่ความจริงมันทุกข์เพียงแต่ว่ามันมีสุขมาหลอกเราเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยเวลาเห็นเหยื่อมันไม่เห็นเบ็ดใช่ไหมมันเห็นเนื้อเนี่ยมันก็เอออร่อยะเออพอมันคุบตะคุบเข้าไปแล้วนี่อตะขอเบ็ดมันก็เกี่ยวปากเลย ทีนี้มันทุกข์ก็สิอันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นทุกข์เพราะไม่ใช้ปัญญามันจะเห็นแต่สุขได้เงินมาแล้วโอดีใจแต่ไม่เห็นว่าตอนเงินหายไปเงินหมดนี่เสียใจไหมมันไม่เห็นตอนนั้นไม่ยอมมองตอนนั้นกันคิดว่าได้มาแล้วจะต้องไม่หมดจะต้องได้มาเรื่อยๆ แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันไหนจะหมดเงินนฝากธนาคารมันดีก็ดีธนาคารมันปิดขึ้นมาทั้งหม่สมัยก่อนธนาคารปิดยังดีรัฐบาลมารับประกันไว้แต่ไม่รับประกันไว้ก็หมดเนื้อหมดตัวกันทั้ง น, นี้รัฐบาลบอกรับประกันไม่ไหวแล้วรับประกันได้แค่ร้านเดียวถ้าคณมีสิบล้านเกิดธนาคารปิดไป คนก็ได้ล้านเดียวเท่านั้นคืนก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยยังไม่ว่าจะได้ทรัพย์แบบไหนมาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แน่นอนเอาเงินไปฝากธนาคารก็อาจจะ เ, เจ๊งเอาไปเล่นหุ้นก็อาจจะเสียเอาไปซื้อทองเก็บไว้ก็หายเดี๋ยวถูกคนมาขโมยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นของในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ความไม่แน่นอนนี่มันทำให้เรามันทาให้เราไม่สบายใจกันทำให้เราทุกข์กันของที่แน่นอนมีในตัวเราเราก็ับไม่เอาความสงบนี่ความสุขนี่แน่นอนไม่มีใครมาสามารถที่จะมาทำลายเอาจากเราไปได้ถ้าเรารู้จักสร้างความสุขนี้นะเราสามารถสร้างมันได้ตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวกเนี่ยท่านสร้างความสุขแบบนี้ไม่มีร่างกายท่านก็ยังมีความสุข มีความสุขดีกว่ามีร่างกายเสียเพราะร่างกายนี้มันเป็นภาระมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่ไม่มีความอยากไม่มีเสียด้ก็ดีแต่บอกภาระเฮเวปันจากขันธาขันคือร่างกายนี้เป็นภาระที่หนักอย่างยิ่งไม่มีแล้วสบายเดินขึ้นมาก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องไม่ต้องหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทาน ไม่ต้องอาบน้ําให้มันไม่ต้องแต่งตัวให้มันแต่งตัวให้มันแล้วก็ต้องซักเสื้อผ้าให้มันอีกน้อยแปดภาระพอไม่มีร่างกายนี่มันเบาเลยสบายถ้าให้มันภาระเบาก็ใช้แบบอยู่แบบผ้าเอาผ้าแค่สามผืนมีเสื้อผ้าซัากสองสามชุดก็พอใส่วันละชุดเนี่ยมางคนใส่มีชุดเช้าชุดกลางวัน ช, ชุดมาวันชุดไปช้อปปิง้ง วันสายสามสี่ชุดแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปซักวันทีสามสี่ชุดเนี่ยถ้ามีชุดเดียวนี่บางทีอาสองอาทิตย์เคยซักสักขนก็ได้พาดีวานนี่ไม่ได้ไม่ได้ผ้าที่หมข้างนอกนี้ไม่ต้องซักทุกวันสองอาทิตย์ซักสักครั้งก็พอแต่ซักชั้นไหนนี่ต้องสองต้องซักทุกวันอาบน้ําก็ซักใหมเปลี่ยนกันอยู่แบบนี้สบายอไม่ต้องมีคนใช้ ทำเองได้เพราะงานไม่หนักบ้านก็ไม่ใหญ่มีห้องแค่สามคูนสามเมตรกว่าท่านาทีก็เสร็จชอบสร้างภาระกันขึ้นมาเองชอบซื้อบ้านใหญ่ๆโตๆมีเสื้อผ้าเป็นร้อยเป็นพันต้องมีห้องมีมีห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเก็บของแล้วก็ต้องคอยมาซักมาล้างมันมาดูแลรักษามัน เหนื่อยไปกับของที่เราได้มาเนี่ยความอยากมันหลอกให้เราไปหาความทุกข์โดยที่เราคิดว่าเป็นความสุขกั น, นทางวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่สูนสุดสามร้อยหกสิบอ่าทูกสองค่ะชาลนยังไม่มาอ่าโทนี่โรเมโอก็ยังไม่มา มีคำถามไหมว่ามาคำถามจากคุณนิสาคนที่นั่งสมาธิถือศีลแต่ยุให้ครอบครัวผู้อื่นแยกแตกแยกคอยให้ร้ายผู้อื่นบาปมากไหมคะลบกันได้ไหมคะคือเราอย่าเอาเรื่องนั่งสมาธิกับศีลกับเรื่องการทำไม่ดีมาปนกันมันเป็นคนละเรื่องกัน คนที่ทำไม่ดีมันก็มันไม่ดีจะไม่ว่าจะเป็นคนถือศีนมือถือสากปากถือศีนหรือไม่ก็ตามมันก็ไม่ดีทั้งนั้นฮถ้าพูดตามความจริงแล้วคนที่ถือศีนนั่งสมาธิเขามักจะทำดีมากกว่าถ้าเขายังไปทำไม่ดีแสดงว่าเขายังนั่งไม่ได้ผลเขายังรักษาศีนไม่ได้จริงๆเขาก็เลยยังห้ามปากเขาไม่ได้ ทำให้เขาต้องไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่คนที่ถ้ารักษาถ้านั่งได้นั่งสมาธิได้ควบคุมใจได้เขาจะควบคุมวาจาเขาได้เขาจะไม่ไปพูดอะไรให้เกิดความเสียหายหต่อผู้อื่นดงั้นอย่าไปเอาเรื่องของการทาความดีม า, า, ม, ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำไม่ดีคนทำไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคน รักษาศีลเมนั่งสมาธิหรือไม่ไม่ควรทำทั้งนั้นรัอ ถ, ถามจากคุณวัชราผู้มีกิจน้อยหมายความว่าอย่างไรคารวะควรเป็นผู้มีกิจน้อยไหมครับก็แล้วแต่ไงกิจน้อยไม่น้อยอยู่ที่ความอยากมากหรือยอยากน้อยถ้าอยากน้อยก็กิจน้อยถ้าอยากมากก็กิจมากถ้าอยากได้มากก็ต้องทำมากอยากได้เงินมากก็ต้องทำงานหลาย หลายอย่างทำทำงานหลายงานบางคนทํางานเดียวเงินไม่พอใช้อยากจะได้มากก็ไปทํางานพิเศษต่ อ, อก็ต้องมีงานเพิ่มมากขึ้นหรือคนที่มีร้านหนึ่งก็อยากจะได้รายได้เพิ่มก็ไปเปิดร้านที่สองอเปิดร้านที่สามเห็นไหมธนาคารตอนต้นเขาเปิดในเมืองไทยก็เปิดแค่สาขาเดียวตำนักงานใหญ่ต่อไปมีคนมาใช้บริการมาก เขาก็เลยไปเปิดสาขาใหม่ ok. ต่อได้ถ้าไปเปิดสาขาเพิ่มมันก็มีกิจเพิ่มมากขึ้นกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่องภาระมันก็มากขึ้นไปความทุกข์ความอะไรมันก็เพิ่มมากขึ้นไปความสุขมันก็มากขึ้นไปด้วยความสุข ค, คือความสุขเวลาที่ได้เงินมามากขึ้นมันก็สุขแตนะ่ความทุกข์คือความปวดหัวกับเรื่องปัญหาต่างๆที่มันตามมามันก็มากขึ้นไปด้วยเหมือนกัน ันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการแบบนี้เราก็ต้องทาแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการความสุขแบบไม่ต้องมีเรื่องไม่มีเราไม่ต้องมีภาระเราก็มีความอยากน้อยพระพุทธเจ้าบอกมักน้อยให้มักน้อยแล้วก็จะเรื่องจะน้อยปัญหาจะน้อยความทุกข์จะน้อยแต่ความสุขไม่น้อยเพราะมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ความสุขจากการที่เราได้น้อย แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการที่ใจเราไม่ได้มีความอยากอันนี้เป็นความสุขใจยิ่งอยากมากแล้ว ไ, ได้มากแทนที่จะมีความสุขใจมากกับสุขใจน้อยเพราะความอยากจะทําให้ใจทุกข์มากขึ้นไม่ใช่สุขมากขึ้นคําถามจากที่ต่อหากไม่มีการเจริญสติตลอดเวลา วันนี้เกือบมีเรื่องกับผู้อื่นมาคิดอีกทีไม่ว่าใครถูกใครผิดเราเนี่ยแหละผิดไม่รู้จักควบคุมสติสติหลุดขาดรู้สึกผิดมากๆสำนึกผิดด้วยการจะซื้อขนมไปให้เขา เ, เป็นมอเตอร์ไซับจ้า เ, เลยรู้ว่าอยู่วินไหน เ, เพราะเห็นหลังเสื้อไม่อยากมีเจ้ากรรมในเวรเอาขนมไปให้ออยอมรับผิดแม้เราไม่ผิดและขอโทษเขา ยอมเป็นผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ยอมหยุดเย็นถูกต้องไหมครับถูกต้องอถูกต้องถ้าจะดีกว่านั้นก็ต้องหยุดก่อนที่จะมีเรื่อง <c oughs> สติยังไม่ทันแต่อย่างน้อยก็ยังยังยังไม่ไม่สายเกินแก่ขนมไปฝากเขาไปขออาภัยเขาอการมีเวรีกรรมกันก็จะไม่มีเจอหน้ากันข่าวหน้าก็จะไม่มีเรื่องกัน แต่ถ้าเราไม่ไปขอเข้ามาไม่ขออภัยเจอเขาเ้าหน้าเขาอาจจะเอาเรากลับก็ได้ค่าคถามจากคุณนาลาด่าบุคคลใดกลมหนักสุดครับก็ค่ะคนที่มีพระคุณไงเนี่ ย, นยอนันตริยกรรมบุคคลที่เราไม่ควรที่จะทำบาปด้วยคือพ่อแม่พระ อ, อรหันต์พระพุทธเจ้าพระปฏิจเจกกับพระพุทธเจ้า บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐผู้มีความดีมีความเมตตาปรารถนาดีกับเราไม่ควรที่จะไปทําบาป ก, กับท่านโดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยทางกายหรือทางวาจาหรือแม้แต่ความคิดก็ไม่ควรคิดคําถามจากคุณแหมมีสี่ข้อนะคะข้อที่หนึ่งเมื่อเราเดินจงกลมไปถึงสุดปลายทางเดินเราหยุดกลับหลังหันหรือเดินวนครับก็หันหลังกลับไง หันหลังกลับแล้วก็แล้วก็เดินใหม่พอไปสุดกะหันกลับแล้วก็เดินกลับข้อที่สองการทําบุญอุทิศให้บิดาที่เสียชีวิตไปแล้วสองปีควรทําวิธีการแบบไหนถึงถูกต้องครับก็ เ, เหมือนกับวิธีที่ตอนตายใหม่ๆนะเวลาตายใหม่ๆเราจัดงานศพให้แล้วก็นิมนต์ผ้ามาฉันมาถวาย เ, เงินทองถวายข้าวของก็ทําแบบนั้นแต่ไม่ต้องไปนิมนต์ผ้ามาก็ได้ เราทาบุญทําทานใส่บาตรไปก็ได้หรือเราจะเอาเงินทองที่เราจะทําบุญให้พระนี้ไปให้กับโรงพยาบาลก็ได้ให้กับใครก็ได้ถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันอุทิศให้ได้เหมือนกันข้อที่สามการรักษาบรรเทาโรคโดยการนั่งสมาธิควรเอาจิตไปจับอยู่ตรงไหนเช่นเป็นโรคกระเพาะปวดแสบท้องมากครับ อ, อการนั่งสมาธินี้ไม่ได้รักษาร่างกายรักษาใจเพราะเวลาร่างกายเจ็บเป็นไม่สบายใจก็เจ็บไปด้วยเรื่องของร่างกายนี้ต้องใช้ยาของร่างกายรักษาส่วนเรื่องของใจนี้ต้องใช้ยาของใจใจยาของใจเรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบหรือใช้ปัญญาแยกร่างกายออกจากใจให้ได้ถ้า ยากใจออกจากร่างกายได้ใจปล่อยวางร่างกายได้ใจก็จะหายจากความไม่สบายใจเนื่องจากที่ร่างกายไม่สบายแล้วดีไม่ดีความไม่สบายของร่างกายก็อาจจะหายตามไปด้วยก็ได้ถ้าความไม่สบายนั้นเกิดจากความไม่สบายใจเป็นเหตุโรคบางโรคนี้เกิดจากความไม่สบายใจเป็นเหตุไม่ใช่เกิดจากอะไรอื่น บางทีไม่สบายไปหาหมอหมอก็เช็คดูร่างกายทุกอย่างก็เป็นปกติหมดแต่อาจจะไม่สบายเพราะเครียดเลยทําให้กระเพาะลําไส้มันปล่อยน้ําชื้อออกมาตอนทนี่มันไม่ควรจะปล่อยหรืออะไรเงี้ยน้ำน้ำย่อยน้ําอะไรเงี้ยไปกัดกระเพาะเป็นโรคกระเพาะก็มาเจ็บปวดท้องขึ้นมาได้แต่พอเราทําใจให้สงบหายเครียดมันก็จะไม่ผลิตสารไม่ปล่อยสารเหล่านี้ออกมาผลคุ ย, ยได้ดใช่ ก็จะโดยโตรงก็ได้ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายทางร่างกายเมื่อเรารักษาเหตุที่ทำให้ร่างกายไม่สบายคือความเครียดได้มันร่างกายมันก็หายได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องแยกแ ย, กแยกทะท่านั้นในว่ามันเป็นเหตุอะไรถ้าเป็นเหตุที่อื่นแล้วเรานั่งสมาธิแล้วใจหายใจสงบใจสบายแต่ร่างกายจะไม่หายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่อย่างน้อย ปัญหาใหญ่เราได้แก้แล้วปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาร่างกายปัญหาใหญ่คือปัญหาใจเพราะความทุกข์ของใจนี่หนักกว่าความทุกข์ของร่างกายถ้าเรารักษาความทุกข์ของทางร่างกายอของทางใจได้ความทุกข์ทางร่างกายนี้มันจะหนึ่งในสิบเท่านั้นเองของความทุกข์จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอยู่กับมันได้ตายได้ปล่อยมันตายได้ข้อสี่ วิธีการพิจารณาอาหารก่อนที่จะรับประทานเราพิจารณาอาหารไปในรูปแบบไหนครับถ้าเรารับประทานด้วยความอยากเราก็ต้องพิจารณาเพื่อให้มันไม่อยากรับประทานพิจารณาว่าต่อไปมันก็ต้องกลายเป็นอุจจาระอย่างเงี้ยพอคิดถึงอาหารที่ที่เรากําลังกินตอนนี้ว่าต่อไปมันก็ต้องเป็นอุจจาระเราก็อาจจะไม่อยากกินขึ้นมาทีท่านถึงเวลาต้องกินเราก็หยุดพิจารณากินไปเพื่อ เมื่อเราหยุดความอยากได้แล้วทีนี้เราก็กินแบบไม่อยากกินใบแบบกินยาไปแต่ถ้ามันอยากกินน้ำลายไหล ย, ยืดเลยเนีย่ต้องพิจารณาให้มันกำลังกินอุจจาระอยู่นะใช่ั้ยที่กินนี่มันตอบปามันจะไปเป็นอะไร้ามันเป็นอุจจาระมันจะเป็นอะไรไม่ใช่อุจจารสมาธินี่คือวิธีแก้าาการรับประทานอาหารที่กินแล้ว ที่หิวเราอยากกินบางทีกินอิ่มแล้วอยากจะกินอีกก็ให้คิดถึงว่ากำลังกินจะไปกินอยุจจาระอีกเหรอออย่างนี้มันก็อาจจะหยุดได้หรือถ้าคิดอย่างนี้ยังไ ม, ไม่ไม่หยุดความอยากได้ก็ต้องคุกอาหารที่เราจะกินเลยอาหารทั้งหมดที่จะเข้าไปในท้องนี่คุกมันไว้ในชามก่อนของหวานของข้าวข้าวกับข้าวกับปลาอาหารขานมผลไม้ ใส่มันเข้าไปในชามแล้วก็คุก ม, มันเหมือนกับเวลามันอยู่ในท้องเนี่ยแล้วค่อยกินมันอย่างนั้นมันก็จะไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่ยิ่งของเยอะๆขนมเค้กนี่ใส่เข้าไปผสมกับแกงเผ็ดนี่ลองดูสิมันอยากกินอหม <c oughs> อมันกินเพื่อร่าง ก, กายไม่ได้กินเพื่อความอยาก <c oughs> ต้องกินแบบนี้ถ้าต้องการจะข้าความอยากต้องกินแบบนี้แล้วมันจะไม่อยากกิน มันกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นกินแบบกินยาคาถามจากคุณมาลิระหวัดชั้นต่างๆไม่ใช่สถานที่ใช่ไหมคะแต่เป็นความสุขในระดับต่างๆของใจใช่ทาบุญสิบบาทก็ได้ความสุขระดับหนึ่งทำบุญร้อยบาทก็ได้ความสุขอีกระดับหนึ่งทาบุญพันบาทก็ได้ระดับหนึ่งในตัวคนเดียวกันนะอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะเพราะคนอื่นนี่บางทีสิบบาท กับร้อยบาทของเรามันไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเขามีมากมีน้อยให้ดูว่าร้อยละเท่าไหร่ดีกว่าถ้าคนนี้เราทำร้อยละสิบเขาทาร้อยละสิบนี้ก็จะได้รับระดับความสุขเท่ากันเพราะว่าร้อยละสิบของเราอาจจะเป็นหนึ่งร้อยร้อยละสิบของเขาอาจจะเป็นหนึ่งพันก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีมากกว่าเราถ้าอย่างนี้มันจะทำให้เรามีความสุขระดับต่างๆในตัวของเราเองในตัวของเขาเขาก็มีระดับความสุข ของเขาตามกำลังที่เขาทำถ้าทำมากความสุขมันก็มากไม่เชื่อลองดูถ้าเราบริจาคเงินเยอะๆนี่รู้สึกไงโอ้บาปเปิ่มขนลุกไม่เคยคิดว่าจะทำได้คำถามจากอินบอ์นะคะจากคุณอัศวินพี่สาวโยมเจอสองเหตุการณ์ <c oughs> เหตุการณ์แรกประมาณตีสี่ตีห้าฟ้ายังมืดอยู่ พี่สาวเห็นพระเดินเข้ามาในร้านอาหารแล้วสั่งอาหารคนขายเลยเรียนถามพระไปว่าพระภูนเจ้าค้าฟ้ายังไม่สว่างฉันได้หรือเจ้าคะท่านตอบว่าไม่เป็นไรอาตมาต้องเดินทางเหตุการณ์ที่สองพี่สาวโยมเห็นพระขับรถมาเองประมาณหกรูปแล้วลงมาสั่งอาหารที่ร้าน <ST ART> <ST ART> คำถามโยมคือถ้าโยมอยู่ในฐานะแม่ค้าโยมคนขายให้พระหรือไม่คะ ถ้ายยมต้องการเงินก็ขายไปถ้าโยมถ้าโยมอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาก็ปฏิเสธไปว่ายังไม่เป็นเวลาอันควรสำหรับพระภิกษุที่จะพึงรับประทานอาหารก็อาจจะเสียลูกค้าเสียรายได้ไปคคถาามจากกุณแ้ว มีความอยากไปทำบุญไปวัดแล้วสบายใจจะเป็นความอยากที่ดีไหมเจ้าคะอ๋อเป็นความอยากใช้ได้ความอยากที่จะไปฆ่ากิเลสความอยากที่จะไปฆ่าความอยากที่ไม่ดีนี่ถือว่าเป็นความอยากที่ดีเหมือนกับความอยากกินยาเพื่อจะได้เอายาไปฆ่าเชื้อโรคในร่างกายใช้ได้คำถามจากจคุณกันตะพลไม่ค่อยได้นั่งสมาธิทำจิตสงบแต่ชอบพิจารณาสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆรอบตัวเป็นธรรมมาตลอดเช่นมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเสื่อมลงตลอดเวลาเช่นถนนหนทางเริ่มเก่าใบไม้ร่วงหล่นลงดินอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมไหมครับใช่เป็นการใช้ปัญญาจะหยุดความอยากต่างๆเพียง <c oughs> แต่ว่าจะหยุดได้มากน้อยเท่านั้นเองคิดว่าถ้าได้สมาธิแล้วจะมีกาลังหยุดได้มากกว่าในสิ่งที่ยากกว่า เราอาจจะหยุดในสิ่งที่ง่ายได้เช่นของภายนอกเนี่ยแต่ของที่เรารักนี่อาจจะยังไม่มีกำลังพอเราอาจจะต้องอาศัยกำลังของสมาธิมาช่วยถึงจะตัดได้โดยเฉพาะความอยากในร่างกายของเราเองความอยากให้ร่างกายของเราสุขสบายความอยากให้ร่างกายของเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายเนี่ยมันเป็นความอยากที่ละยากมากต้องอาศัยกาลังของสมาธิช่วยถึงจะสามารถละได้ แต่ความอยากอย่างอื่นที่เราไม่ค่อยไปสนใจด้วยเราก็ละได้เช่นของภายนอกเราเราก็อาจจะเฉยๆพอจะทำใจได้แต่ถ้าของไหนที่เรารักเราชอบมากของที่เรากำลังติดอยู่ดีกว่าถ้าอยากจะละควรจะมองของที่เรากำลังติดอยู่กาแฟเนี้ยสมมติเรากำลังดื่มทุกวันเนี่ยเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปติดได้หรือเปล่าแต่อย่าไปพิจารากับของที่เราไม่ไม่ยดึดไม่ติดอยู่แล้วมันก็เราก็ปล่อยอยู่แล้วใช่เไเราควรจะมาพิจารากับของที่เรากำลังยึดยังติดอยู่เช่นเงินทองเข้าของต่างๆบุคคลต่า ง, า ง, า ง, า ง, างๆเนี่ยเราปล่อยได้ไหมเราอยู่คนเดียวได้ไหมเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ได้ไหมดังนั้นความอยากมันมีหลายระดับ ความอยากแบบง่ายๆกับความอยากที่มันยากดงนั้นบางทีอย่าไปหลอกอย่าให้ความความคิดของเราหลอกเราว่าโอ้ยเราเรามีธรรมะเราไม่ยึดไม่ติดนู่นแต่สิ่งที่เรายึดเราติดเรายังไม่ปล่อยกันคําถามจากคุณพัชราการที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้จําเป็นต้องฝึกอภิ ญ, ญิามไหมครับอ๋อไม่ต้อง อภิน ญ, ญานี้ไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมอาจจะไปเป็นอุปสรรคเสียด้วยซ้ําไปถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักทางเราอาจจะไปคิดว่ามีอภิญญาแล้วจะช่วยทําให้เราได้บรรลุธรรมแต่มันจะทําให้เราหลงทางมันเป็นคนละทางกันเหมือนเราขับรถมาถึงสามแยกเนี่ยเราต้องตรงไปแต่เราคิดว่าทางที่จะไปเป็นทางเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวไปทางอภิญญาให้อย่างนี้ก็จะหลงทางจะไปไม่ถึงเป้าหมาย เป้าหมายต้องจิตสงบไม่มีอภินญาไม่มีอะไรถ้ามีอภินญาก็อย่าเพิ่งไปยุ่งก <UM> ับมันคนใดถ้ามีอภิญญาแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นกับมันได้แต่ตอนนี้อย่าไปเล่นกับมันมันเป็นเหมือนเหมืนมันเหมือนกับเล่นเกมอะตอนนี้เราอย่าเล่นเกมเรากำลังทํางานเรากำลังคิดบัญชีอยู่อย่าเพิ่งไปเล่นเกมถ้าเล่นเกมแล้วเดี๋ยวคิดบัญชีไม่เสร็จเดี๋ยวส่งส่งภาษีไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องจ่ายภาษีไม่ทันเนี่ย การปฏิบัติเราต้องการมาชำระ ก, กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราต้องอาศัยสมาธิที่สงบเป็นอุเบกขาถ้าเรามัวไปเล่นกับอภิญญามันก็จะทําให้เราไม่ได้อุเบกขาพอเราออกจากสมาธิมาเราจะเอามาใช้ในการฆากิเลสก็ฆ่าไม่ได้ไม่มีกําลังอภิญญาที่ฆากิเลสไม่ได้้นถ้าเราเกิดมีวาสนาในทางนี้อย่าไปสนใจตอนนี้ให้ทํางานของเราให้เสร็จก่อน สมมติเราเสร็จแล้วเรามารลุธรรมแล้วทีนี้เราจะเอาอภิญญามาเล่นก็นได้ถ้าอ่านจิตใจของใครได้ก็อาจจะไปสอนธรรมะเขาเนี่ยเวลาเขาคิดถึงนู่นนี่ที่นี้ก็อ่านใจเขาได้แสดงธรรมไปจี้ใจเขาเลยจี้ใจเขาเขาก็อาจจะตกใจหรือว่าเออเห็นใจขึ้นมาตัวเองมองไม่เห็นบางทีตัวเองไม่รู้ว่าเป็นปัญหาคิดว่าเป็นเป็นประโยชน์ แต่พอแสดงทําให้เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นเป็นัญหาเขาอาจจะทําให้เขาหยุดได้เปลี่ยนได้บรรลุได้พระพุทธเจ้ารู้ใจขององคุลิมาเนี่ยพอจี้ใจที่ตัวกิเลสท่านนี้องคุลิมาก็เกิดได้สติขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้อภินญาแต่ใช้ในการสั่งสอนผู้อื่นใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น แต่จะไม่เอามาอภิญญาแบบคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสก็จะเอาอภิญญามาเป็นเครื่องมือหากินเช่นพวกหมอดูทั้งหลายเนี่ยพวกนั่งภายในนั่งเสร็จแล้วก็โอเนน้เห็นนู่นเห็นนี่ต้งทานู่นทงนี่พอบอกคนเขาก็เอาเงินมาให้ใช่ไหมก็อันนี้นี่แหละเป็นเป็นอุปสรรคเพราะบางทีนั่งสมาธิแล้วมีอภิญญาเลยไม่สนใจที่จะไปฆากิเลส เลยสนใจที่จะเอาพิญญานี้มารับใช้กิเลสเอามาเป็นเครื่องมือทํามาหากินก็เลยติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปคําถามจากคุณนันทนาความรู้สึกว่าเราสูงกว่าเขาต่ํากว่าเขาหรือเสมอเท่ากันเราควรคิดอย่างไรคะที่จะไม่คิดเก็บเทียบกับใครใคก็ดูร่างกายของเราสิว่ามันมีอาการ32มากกว่ากันหรือเปล่าใช่ไหม เรามือสามมือหรือเปล่าหรือหรือหรือมือแค่สองมือมีเท้าสองเท้าหรือมีเท้าสี่เท้าเถ้าเราจะมองว่าเราเหมือนกันก็ดูที่ร่างกายของเราว่าอร่างกายของเราก็มีอาการสาวสิบสองเหมือนกันทั้งนั้นใจของเราก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราเราก็จะรู้ว่าตามหลักความเป็นจริงนี่เราเหมือนกันเราเป็นเหมือนเป็นเหมือนรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานอันเดียวกันเนี่ย ยี่ห้อเดียวกันแต่ไหมรถที่ออกมาจากโรงงานทุกคันนี้มันมีคันไหนดีกว่าคันไหนหรือเปล่าอันอาจจะมีเพราะอาจจะเกิดการบกพร่องอันนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นตัวที่เราจะมาะใช้เป็นหลักพิจารณาใช่ไหมต้องถือว่ามันอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างเช่นคนบางคนอาจมาแขนอาจจะขาดบ้างต า, า จ, จะหนวกบ้างอะไรทํานองนี้แต่ความรู้สึกนึกคิด ข, ของเขาก็เหมือนกับเราเขาก็รักกุศ เขาก็รักต anyway, like ัวกลัวตายเหมือนกับเราเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันถ้าเรามองในส่วนที่เหมือนกันแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีใครสูงกว่ากันไม่มีใครต่ำกว่ากันเกิดมาแล้วแก่แก่ด้วยกันแก่เหมือนกันหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหรือเปล่าตายเหมือนกันหรือเปล่าให้ดูในส่วนที่เหมือนแล้วเราจะรู้สึกว่าส่วนที่ไม่เหมือนเนี่ยมันเป็นส่วนปลี่ยย่อยเป็นส่วนที่ไม่สําคัญส่วนที่สําคัญนี่เหมือนกันหมดเท่ากันหมด พระเจ้าบอกให้พวกเรามองมพวกเราด้วยกันว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย<ม>เหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันจะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นขอทานก็เหมือนกัน<ม>เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน้นนไม่มีใครวิเศษกว่าใค ร, รอถ้าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่เท่ากันรวยจนก็ไม่สําคัญรวยก็ตายเหมือนกัน จนก็ตายเหมือนกันเมื่อกี้ก็ถามว่าเราเปลี่ยนอนาคตได้หรือเปล่าบางทีอนาคตมันยังไม่เกิดเราจะไปเปลี่ยนมันได้ไงมันยังไม่เกิดอดีตเราก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ไม่เกิดไปแล้วอนาคตยังไม่เกิดแล้วก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราสามารถทําให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เราต้องการไปสวรรค์เราก็ไปได้เราต้องการไปอบายก็ไปได้ เหมือนกับเราตอนนี้เราจะเดี๋ยวออกจากที่นี่เราจะไปไหนเราก็กําหนดได้ใช่ไหมไปพัทยาก็ได้ไปราดพุรีก็ได้ไปกรุงเทพก็ได้อยู่ที่เราเราเป็นผู้กําหนดอนาคตของเราอยู่ในมือของเราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่กับเหตุการณ์บางทีอยากจะไปแต่ถนนขาดนี้ไปไม่ได้อะอันนั้นก็ก็ไปไม่ได้ก็ต้องไปทางอื่นนี่มันก็มี มีปัจจัยอย่างอื่นที่จะมาทำให้อนาคตของเราอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไปเป็นก็ได้เช่นเราอยากจะบวชเกิดตายไปซะก่อนนี้ตายไปก่อนก็ต้องไปตามที่เราได้ทำมาถ้าเราทำไม่ดีมาล้วอาจจะต้องไปอาบายก่อนก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่ตายเรารีบทำบุญให้เยอะอย่างองคุลีมานนี่นะฆ่าคนมาละเก้าร้ยกสก้าคนถ้าเกิดตายก่อนที่มาเจอพระพุทธเจ้านี่ ก็ไม่ได้ไปเป็นพระอะไรนะแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเดินทางที่จะไปอบายก็เลิกไปอันมาทางไปพระนิพพานแทนยันอนาคตนี้อยู่ในกรรมมือของเราเราเป็นผู้สร้างอนาคตของเราไม่มีใครสร้างให้กับเราไม่ใช่เป็นพรหมลิขิตไม่ใช่เป็นศาสนาพูดนี่เราเรียกว่าเป็นกรรมลิขิตกรรมก็คือการกระทาของเรา ความคิดการพูดการกระทาทางการนี่แหละจะเป็นตัวสร้างอนาคตของเราขึ้นมามีคำถามไหมไม่มีเอาทางบ้านต่อคำถามจกคุณพลเมื่อปฏิบัติไปสักพักมองเห็นตัวภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันเถียงกันอยู่อย่างนั้นจนใจไม่สงบ เมื่อจะกลับมาอยู่กับพุโทโธหรือลมหายใจมันก็ไม่นิ่งมันจะเถียงกันอยู่เช่นนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นปัญญาระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่มหาปัญญาเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเดินปัญญาหรือว่าอน า, านาปนสติดีครับ เ, เห็นเห็นตัณหาก็ใช้ปัญญาหยุดมันเสีเห็นตัณหาอยากจะกินเหล้าก็เอาปัญญามาสากินเหล้าแล้วมันติดแล้วก็จะทุกข์เวลาไม่ได้กิน พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็จะหยุดตัณหาได้เห็นวิภาวะตัณหาอยากอยากให้ความเจ็บหายไปเวลาไม่สบายอยากให้มันหายแต่ไม่หายมันก็เลยทุกข์เราก็ต้มองว่าแล้วเราไปบังคับมันได้หรือเปล่าไปสั่งมันได้หรือเปล่ามันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาถ้าอัตตาก็แสดงว่าเราสั่งมันได้ถ้าเป็นอนัตตาก็แสดงว่าเราสั่งมันไม่ได้ เมื่อเราสั่งมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปมันจะไม่หายก็ต้องปล่อยมันไม่หายไปพอเราหยุดความอยากให้มันหายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่ใช่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วต้องมีปัญญามาดับมันการเห็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่ไม่เรียกว่าเป็นปัญญาอาจจะเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาที่ทำให้เราต้องมา<โ>ใช้ปัญญามาแก้มันอีกทีมาหยุดมันอีกที เห็นต้นต่อของปัญหาว่าอยู่ที่ภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแต่ต้องเห็นต้องเห็นต้องมีปัญญาที่จะมาหยุดมันต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะหยุดมันได้หรือถ้าเห็นถ้าเกิดการมารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภะมาหยุดมันถ้าอยากจะมีแฟนก็ไปเห็นร่างกายของแฟนกลายเป็นซากศพไปร่างกายของแฟนมีเห็นตับไตไส้พุงเห็น โครงกระดูดของแฟนนี้มันก็จะทําให้เราไม่อยากได้แฟนนะนี่คือปัญญาที่เราต้องใช้เวลาที่เราเกิดตัณหาขึ้นมาคําถามจากคุณสุรพงษ์กิเลสตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ความคิดหรือจิตใจอยากจะฆ่าให้มันจังๆไปเลยทํายังไงดีครับฆ่าตัวละ ต, ตัวตัวตัวต้นก่อนเนะี่ยตัวที่อยู่ใกล้เราขณะเนี้ฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าทรัพย์สมบัติ ฆ่าอะไรต่างๆให้ได้ก่อนนะไม่ต้องไปกังวลกิเลสตัวสุดท้ายหรอกมันยังอยู่อีกไกลอ่ายังฆ่าตัวนี้ไม่ได้ไม่มีวันที่จะไปฆ่าตัวสุดท้ายได้ต้องฆ่าตัวแรกๆก่อนตัวแรกๆก็คือราบยศ ส, สรรเสวญสุขเนี่ยฆ่ามันซะก่อนความอยากได้ราบยศ ส, สรรเสิญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการเนี่ยเป็นกิเลสที่เราต้องฆ่ามันให้ได้ก่อน เมื่อฆ่าได้แล้วเราก็จะไปบวชได้ไปอยู่คนเดียวได้แล้วเราค่อยไปฆ่าความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ไปฆ่าความอยากที่ยังอยากจะมีแฟนอยู่ยังยังเห็นร่างกายว่าสวยว่างามอยู่ยังเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอยู่ล้วถึงจะเข้าไปถึงกิเลสตัวสุดท้ายได้มันเป็นชั้นๆกิเลสตัวสุดท้ายถ้าเปรียบเทียบกับสงฆ์กางก็คือบอกอสูงสุดเนี่ย ก่อนที่จะไปถึงบอกอสูงสุดได้มันต้องผ่านด่านต่างๆที่เขาพวกตั้งไว้ป้องกันไม่ให้เข้าไปถึงบอกอสูงสุดได้หรอคำถามจากพี่ต่อถ้าคิดว่าเราต่ำต้อยกว่าขขาวไว้ก่อนดีไหมครับคิดไว้เสมอๆจะได้ไม่มีตัวหลงหรือควรคิดอย่างไรครับดีพระพุทธเจ้าบอกให้คิดแล้วว่าเราเป็นเหมือนปาฏพีเหมือนแผ่นดิน ใครจะเหยียบจะย่ำก็ได้ไม่ถือสาคำถามจาก YouTube นะคะเวลาพิจารณาร่างกายของพ่อแม่รู้ว่าอนาคตท่านต้องจากไปตัวหนูเองก็ต้องจากไปแต่คิดแล้วน้ำตาไหลตลอดขอคำแนะนำเรื่องการพิจารณาการพัดพ้าค่ะเพราะเรายังห้างความอยากไม่ได้ความอยากไม่พัดพ้ายังมีอยู่ในใจเรา เราต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราจะมีกำลังหยุดความอยากไม่พลาดพลาดได้คำถามจาก Facebook l ล v e จากคุณต้องเวลากินข้าวโยมหารสในอาหารว่ามีรสอะไรบ้างหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวลักษณะนิ่มแข็งเป็นก้อนกรอบแบบนี้คือฟูงสีว่าหน้าตามันเป็นยังไงถ้ามองไม่เห็นก็คลายมันออกมาแล้วก็ตักเข้าไปใหม่ แต่อย่างนี้นะมันจะเป็นการใช้ปัญญาเพราะเป้าหมายของการใช้ปัญญาเพื่อให้เราหยุดความอยากในรสชาติของอาหารให้เรารับประทานอาหารเพื่อเพื่อร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อความอยากในรสชาติในรูปร่างหน้าตาของอาหารเราก็ต้องมองความจริงของอาหารเวลาที่มันอยู่ในปากเรามักเรามักจะไม่เห็นหน้าตามันแล้วใช่ไหมเราจะเห็นแต่เวลามันอยู่ในจานเราก็เลยคิดว่ามันสวยงามน่ากิน แต่เวลาอยู่ในปากเราเราก็คิดว่ามันน่ากินเคี้ยวอย่างอรเดตอร่อยผสมกับน้ำลายเราด้วยคอลองคลายมันออกมาดูแล้วก็ตักเข้าไปใหม่นั่นแหละแล้วมันจะทำให้เราไม่อยากกินอาหารหรือถ้าอยากกินก็กินไม่ไม่ได้กินด้วยความอยากนะกินแบักกินยากินยัดยัดมันเข้าไปให้มันอิ่มก็พออะไรก็ได้ขอให้กินแล้วมันหายหิวก็ใช้ได้กินแบบนี้กินแบบธรรมะ ถ้ากินแบบกิเลยก็ต้องอาหารถูกปากถูกใจต้องลูกหน้าดูหน้ากินหน้ารับประทานถึงจะกินลงบางทีต้องขับรถกันไปเป็นสิบสิบกิโลเพื่อไปหาของกินแต่ถ้าพิจารณาเวลามันอยู่ในปากปั๊บมันเหมือนกันหมดไม่ว่าไปกินอาหารที่ร้านไหนเมื่อพอเข้าไปในปากแล้วมันเหมือนกันหมดเนี่ยเพราะมันผสมกับน้ำลายของเราถูกปากของเรากัดเคี้ยวอย่างนี้ มันก็ไม่น่าไม่น่ารับประทานน แ, แล้วมันก็จะรับประทานอาหารอะไรก็ได้ต่อไปรับประทานเพื่อดับความผิวก็พอคำ ถ, ถามจากคุณแก้วอยู่บ้านเปิดธรรมมะคูบาอาจารย์ได้ทั้งวันแต่พอนั่งสมาธิห้านาทีหลับทุกครั้งจะแก้ไข อ, อย่างไรไม่ให้หลับคะก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจะเริ่สติก่อนลุกขึ้นมาเดินจงกรมพุทโธพุทโธไป เดินสักสองสามชั่วโมงแล้วรลองได้เวลาลงไปนั่งจะไม่หลับคำ ถ, ถามจากคุณวิทยาเราจะทราบได้อย่างไรว่าพุโทโธหรือกาหนดลมหายใจดีกว่าเพราะบางวันพุโทโธดีกว่าบางวันแค่ลมหายใจก็ดีกว่าอา่าอันไหนดีกว่าก็อันนั้นสิคำถามจากคุณมิว เราสามารถใช้คำว่าฆ่าในการฆ่ากิเลสได้ใช่ไหมคะไม่ผิดศีลหรือเราต้องใช้คำว่าปล่อยวางคะได้ทั้งนั้นนะ่ะถ้าให้กิเลสมันตายจะทำโดยวิธีไหนได้ทั้งนั้นนะ่ะคำถามจากคุณสีนี่คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนา <laughs> อ, อายาตนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมถ้าใจอิ่มใจพอแล้วจะไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่มีเหตุให้ไปเกิดโยมเข้าใจถูกไหมคะอายตนะห้าตัวแรกโยมพอเข้าใจแต่ตัวธรรมอารมณ์คืออะไรคะก็ความรู้สึกในใจเราไงความรู้สึกบางวันก็สดใสเบิกบานบางวันก็บางวันก็หดผู๋นี่ก็คือธรรมอารมณ์ของที่อยู่ในใจโดยที่ไม่ต้องผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวบางวันก็เบิกบานสดชื่นได้บางวันก็หดผู๋ได้ มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดที่มันไปปรุงไปสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ไปเสพมันเวลามันสุขก็เวลาเจออารมณ์ที่ชอบก็ติดกับมันเวลาที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์อันนี้ก็ต้องพิจารณาปล่อยวางมันเหมือนกับเราปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยวางต่างๆที่มีทั้งที่เราชอบแลไม่ชอบก็คือต้องทําใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขา เจออารมณ์ไม่ดีก็เฉยเจออารมณ์ดีก็เฉยอย่าไปยินดียินร้ายแล้วต่อไปใจเราจะไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆใจก็จะหลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดได้คือถ้าถ้าถ้าหยุดรูปเสียงกลิ่นลดได้ไปวางรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ไม่ต้องเกิดมาเกิดในกามมาภพไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรตไปเป็นเดชะชัน แต่ถ้าปล่อยวางทำอารมณ์ได้ก็ไปนิพพานได้ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็ยังต้องไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมที่ยังมีอารมณ์อยู่ที่ยังต้องเสพอารมณ์อยู่แล้วก็จะบรรลุจากชั้นนั้นไปสู่ชั้นพนิพพานต่อไปคําถามจากคุณสุพนัสการให้อภัยฐานธรรมทานและสังฆทานอย่างไหนมีประเสริฐสุดครับ <c oughs> การให้ธรรมทานย การให้ธรรมะนี้ทำให้ผู้ที่รับสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ให้อย่างเอื่นนี้ก็หลุดพ้นชั่วข่าว <c oughs> เช่นให้วัตถุทาน <c oughs> ให้ข้าว <c oughs> ให้อาหาร <c oughs> ก็ช่วยบำบัดความทุกข์ทางร่างกายให้วิทยาทานเขาก็จะได้มีวิชาความรู้ไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเขาได้ให้อภัยทานก็คือเราก็จะไม่ไปทำร้ายร่างกายเขาทำให้เขาไม่ต้องเจ็บทางร่างกาย แต่ถ้าให้ธรรมะกับเขาไปเขาเอาไปปฏิบัติได้เขาก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดัง้นการให้ธรรมะนี้ถึงเรียกว่าชนะการให้ทั้งปวงเพราะให้ประโยชน์ได้สูงสุดให้ได้ประโยชน์ที่ดีกว่าจการให้แบบอื่นนั่นเองขอบถามจากคุณป้อมลูกขอถามถ้ามีคนมาทําให้ลูกเกิดความทุกข์ แต่ลูกไม่ได้โต้อตอบและอโหสิกรรมให้โดยคิดว่าชาติที่แล้วเราคงเคยทำกรรมกับเขาไว้แต่เขาไม่เคยมาขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับลูกเลยบาปจะเกิดขึ้นกับเขาไหมคะถ้าเขาไปทำบาปก็เกิดถ้าเขายังไม่อโหสิก็แสดงว่าเขายังอาฆาตพยาบาทอยู่ถ้าเขามีโอกาสเขาก็อาจจะไปทำบาปเพื่อทาให้เขาสบายใจขึ้นมาเขาก็ยังจะต้องเจี่ยงต่อการทาบาปอยู่ แต่ถ้าเขาเอาโหสิให้ได้เขาก็จะไม่ไปทำบาปต่อไปเราเอาโหสิได้เราก็จะไม่ไปทำบาปใครทำให้เราโกรธเราบอกเออไม่เป็นไรแค่นี้เราก็จะไม่ไปทำร้ายเขาล้ต่อไปแต่ถ้าเราบอกเอ้ยไม่ได้ฟันต่อฟันตาต่อตาเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำบาปคำถามจากคุณมาลี ก่อนจะได้อัปปนาสมาธิต้องได้อุปจารสมาธิก่อนไหมคะไม่มันคนละอย่างกันไงอุปจารสมาธินี้ต้องได้หลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิก่อนคือจิตต้องสงบแล้วเด้งออกมานิดหน่อยถอยออกมานิดหน่อยมารับมาเปิดตาทิพมารับรู้เรื่องราวทางทางโลกทิพย์อุปจารสมาธินี้เป็นจิตที่ออกมารับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกทิพย์ เป็นพบปะกับเทวดาพบกับกับผีปีศาจอะไรต่างๆนี้ต้องอยู่ในระดับอุปจาระคือไม่ได้อยู่ในระดับธรรมดาธรรมดานี่มันจะมารับรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายมันอยู่ระหว่างระหว่างระดับธรรมดากับระหว่างอัปปนาอัปปนานี่ระดับแบบปิดประตูหมดไม่รับรู้เรื่องเราทั้งสิ้นถ้าอยากจะรับรู้เรื่องเราทางลลกทิพย์ก็ต้องออกมาทางอุปจาระก็เหมือนกับเปิดหน้าต่าง เวลาเข้าไปในอัปปนาสมาธิแล้วไม่นิ่งเฉยๆกลับออกมาถอยออกมาเปิดหน้าต่างรับรู้เหตุการณ์สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์เหมือนไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปอะไรต่างๆนเนีต้องอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแต่จะไปถึงอุปจารได้ต้องเข้าไปอัปปนาก่อนแล้วถึงค่อยออกมาอีกทีนึงหรือจะออกไปเหมือนกับเข้าประตู เข้าเข้าอัปปนาสมาธิเหมือนเ ข, เ, ขเข้าไปทางประตูบ้าน <c oughs> แล้วก็ไปเปิดประตูหลังบ้านออกไปเที่ยวโลกทิบต่ออย่างนั้นเลยอุปจารสมาธิต้องผ่านอัปปนาสมาธิขณะที่ยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิเราไม่เรียกว่าอุปจารสมาธิเราเรียกว่ายังกำลังกํากลังไต่เต้าเข้าสู่อัปปนาสมาธิอยู่ แค่เวลาที่เราพุโทโธพุโทโธแล้วเกิดจะมีแสงขึ้นมามีเสียงขึ้นมามีอะไรขึ้นมานี่อันนี้ยังไม่ใช่อุปจารสมาธิจริงคำถามจากอินบ x จากคุณเพิ่มพงพระโสดาบานตัดกิเลสลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้มากน้อยเพียงใดครับน่าจะได้หมดนะเพราะเขาก็ตัดร่างกายได้เพราะร่างกายเป็นที่ตั้งของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางร่างกาย เหตนี้เขาก็จะไม่ทุกข์กับการเสื่อมราบยศสรรเสริญสุขเพราะเขาพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อทุกเวลาเมื่อเขาพร้อมที่จะตายาก็พร้อมที่จะเสียเงินเสียทางพร้อมที่จะไปเป็นขอทานได้คําถามจากยูทูบไลฟ์จากคุณอากาลิโกวันหนึ่งกระผมจับแมวแล้วขนมาถูกที่มือแล้วรู้สึกรังเกียจกระผมมาพิจรารณาขนตัวเองก็มีแล้วรังเกียจถูกไหมครับแต่ก่อนไม่เคยดูครับ รังเกียจก็ไม่ถูกนะมันต้องเฉยเฉยมันต้องเห็นว่ามันก็เป็นแค่วัตถุขนเขากับขนเราก็เหมือนกันขนเขากับผมเราเราจับผมเราทําไมเราไม่รังเกียจเราไปจับขนของแมวแล้วไป็รังเกียจทําไมมันก็เป็นขนเหมือนกันคําถามจากเฟซบ Life, ุ๊กไลฟ์จากคุณสุขนัสความรู้สึกอยากในอาหารเช่นนึกอยากกินนั่นนี่ขึ้นมาเฉยเฉยกับความต้องการของอาหารของร่างกายต่างกันอย่างไรครับ ความต้องการของร่างกายมันมีเวลาเวลาไงเหมือนกินยาเราสามารถกําหนดเวลาให้อาหารร่างกายได้เช่นจะให้วันละมือ้อสองมือ้อหรือสามมือ้อเราก็กินมันเวลาที่เรากําหนดไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้อาหารเพื่อร่างกายแต่ก็ไม่แน่ถึงแม้ว่าจะกําหนดเวลาแล้วพอถึงเวลากินยังอยากอยู่นี่แสดงว่ายังอยากกินอยู่ก็มองให้มันเห็นเป็นอาหารที่อยู่ในท้องเรา เวลามันเข้าไปในท้องแล้วเราเรายังอยากจะกินมันไหมพอเห็นสภาพของอาหารที่ได้ถูกบดเคี้ยวผสมกับน้ําลายแล้วกลืนเข้าไปในท้องนี่เรายังอยากจะกินมันอยู่หรือเปล่าพอเรานึกถึงสภาพอาหารแบบนั้นเวลาอาเจียนออกมานี่เรายังอยากตักอาหารที่อาเจียนออกมากลับเข้าไปกินได้หรือเปล่าให้คิดถึงอาเจียนเราจะทําให้เราตัดความอยากที่จะกินอาหารนั้นได้พอตัดความอยากนั้นได้แล้วเราก็ค่อยกินมันแบบไม่อยาก กินแบบกินยาไปเพียงดาวเข้าปากเคี้ยวเคียวืนๆืนเข้าไปเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวืนๆืนเข้าไปให้มันอิ่มก็พอคถามจากคุณปะดิ์ขณะนั่งสมาธิได้ไม่นานเกิดอาการปวดเมื่อยมากแล้วถ้าอดทนนั่งต่อไปจะได้ไหมครับและจะมีผลอย่างไรบ้างครับก็อยู่ที่ว่านั่งด้วยสติหรือไม่สติถ้านั่งไม่ด้วยสติมันก็จะไม่มีวันสงบถึงแม้จะอดทนขนาดไหนมันก็ไม่สงบ มานั่ง้วต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้ามีสติแล้วนั่งไปอดทนไปเดี๋ยวจิต ก, ก็สงบแล้วก็จะพบกับความสุขคำ ถ, ถามจากคุณพัศลินองคุรีมาทาบาปหนักฆ่าคนตายแล้วกลับใจมาทางธรรมจนเป็นพระอาหารหันต์ได้แล้วต้องรับกรรมหนักที่ฆ่าคนตายอย่างไรเจ้าคะก็รับรับแต่เฉพาะช่วงที่ยังไม่ตาย ก็ได้มีเรื่องที่ว่าเวลาเข้าไปตามหมู่บ้านที่คนที่เขาเขาก็คนเขาก็จะมาเอา เ, เครื่องมาทำร้ายเขาใช่ไหมมาปองร้ายเขาแต่พอเขาตายแล้วเขาไม่กลับมาเกิดนีกก็ไม่มีร่างกายที่จะไปให้คนไปทำไปปองร้ายเขาได้อีกต่อนเนี่องถึงแม้ว่าเขาจะถูกปองร้ายทางร่างกายทั้งจิตใจเขาก็หลุดพ้นแล้วเพราะจิตใจเขาจะไม่ทุกข์กับความความทุกข์ของร่างกาย เหมือนพระมกคลานะท่านก็เป็นพระอาราหันต์แล้วกรรมที่ท่านทำในอดีตก็ตามมาที่จะต้องให้ท่านถูกฆ่าตายท่านก็ยอมตายเพราะท่านไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายเพราะใจของท่านนี้ไม่ได้ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วทำถามจากคุณลับแม่หนูไม่เป็นหนังสือสวดมนต์ก็ไม่ได้ปฏิบัติกรรมาฐานได้ไหมคะได้ให้ท่านพูดโทรคาเดียวอ่ะ พุโทโธพุโทโธแล้วก็สอนให้แม่พิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวสั่งให้ร่างกายอ่าทําอะไรต่างๆแต่สักวันหนึ่งเราก็จะสั่งมันไม่ได้สอนแค่นี้ก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งวิปัสสนาะต้องถามจากคุณจตุพร กับเรียนถามท ร, รมารสำหรับนักปกครองผู้นำครับต้องไปเปิด Google ดูรู้สึกจะมีอา่า <c oughs> เขาเรียกาันอะไรรา ช, ะะรนะราชธรรมสิบประการ <c oughs> ทศพิษราชธรรมสิบประการาคือให้มีเมตตามีจาระะมีอะไรต่างๆเนี่ยไปดูมีคุณสมบัติอยู่สิบประการด้วยกันแล้วจำไม่ได้ลนะเขียนเข้าไปเสดก็ได้ทศพิษราชธรรม <c oughs> ใช่ไหม ธีคงแล้วคนที่ทําร้ายองค์ุริมานจะได้รับบาปหนักไหมครับก็ได้รับบาปเหมือนกะันเนี่ยก็เหมือนกับไปทําร้ายผู้แล้วเขาเป็นผ้าอนหันด้วยแต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ถ้าเขาไม่รู้เป็นผ้าอนหันก็ไม่ได้ถือว่าเขาทํ า, า, าร้ายผ้าอนหันเขาต้องรู้ว่าเป็นผ้าอนหันแล้วตั้งใจทําร้ายเขาถึจงจะเรียกว่าเป็นบาปหนักขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผ้าอนหันแต่เรามีปัญหากับเขาเราทะเลาะ ก, กับเขา เราก็ไปทําร้ายนั่งเขาหารือฆ่าเขานี่ก็ยังมไม่ถือว่าฆ่าพระอรหันต์เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพระอรหันต์หรืออาจจะเป็นพ่อแม่ที่เรายากันตั้งแต่เด็กเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อแม่เราแล้วเกิดมาเป็นคู่กรณีกันขึ้นมาแล้วเราไปทําร้ายหรือไปฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เข้าใจไหมต้องรู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วฆ่าอย่างไอคนที่ฆ่าแม่เพราะอข้าวไปให้ไม่ทันเนี่ย ม่ไปสายหน่อยเอาอาหารเอาส่งข้าวไปสายหน่อยมันหิวจัดมันเลยโกรธแม่มากก็เลยทุบแม่ตายเลยนี่มันรู้เป็นแม่อย่างเงี้ยบาปนะแต่ถ้าไม่รู้นี่ไม่ยังไม่ถือว่าเป็นอันันตลียกรรมถ้าไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ี่ก็ไม่ถือว่าเป็นต้องรู้คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายจากุลจิราโรธ ที่บ้านปลวกขึ้นบ้านกัดกินบ้านไม้เรีย บ, บริษัทกำจัดปลวกมากำจัดเราจะบาปจ้างวานค่าหรือไม่ครับอยู่ที่เราเรียกแบบไหนมันต้องมีเขาเรียกก็รเรียกอะไรอุบายหรือกุศโลบายกุศโลบายก็คือเราอย่าสั่งเขาเราถามเขาว่าเรามีปัญหาที่บ้านมีปลวกขึ้นไม่รู้จะทำยังไงถ้าเขาอาสาบอก ผมบ ร, บริษัทผมรับจัดการให้เ้องอาสาอย่างนี้ไม่บาปเพราะเราไม่ได้สั่งเขาเขาเขาทําด้วยความสมัครใจแต่ถ้าเราไปสั่งเขานี่บาปสั่งให้เขาทําก็ดีทําเองก็ดีดก็บาปดงนั้นต้องระวังเวลาถ้าเราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นก็อย่าทําแบบสั่งกันแล้วกัน ไม่ชอบไคนนี้ก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังไอ้คนนี้มันแกแล้งเรามันทํานู่นทํานี่แล้วเดี๋ย <laughs> วเพื่อนเราสงสารไปเตะให้ไปเตะ <laughs> อันนี้เราก็ไม่บา่าวเพราะเราไม่ <laughs> ใช่ไหมอเออก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันพระตัดต้นไม้ไม่ได้บางทีต้นไม้กิ่งไม้มันมาติด ก, กุฏิเงี้ยพระก็บอกโยมพิจารณาหน่อยสิกิ่งไม้เนี่ทําได้ก็บอกโยมโยมท็ดี๋ยนะเดี๋ยวจัดการให้ แต่อย่าไปสั่งเขาช่วยตัดกิ่งไม้นี่ให้หน่อยนี่สั่งไม่ได้แต่บอกบอกปัญหาให้เขาฟังได้ว่าเนี่ยโยมตอนนี้มีปัญหากิ่งไม้มันติด ก, กุฏิมดมันขึ้นขึ้นผ่านทางกิ่งไม้เดี๋ยวว่าไม่เป็นไรถ้าโยมฉลาดเข้าใจกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ <c oughs> ถ, ถ้าถ้าโยมโง่ก็เฉย <c oughs> ไม่เข้าใจว่าพูดหมายถึงอะไร เหมือนถ้าอานอนท์นี่โง่ไหมพระพุทธเจ้าหรอถ้าอยากจะให้เราอยู่อีกต่อไปก็ขอเราบอกเราท่านไหนว่ า, าอยากจะให้อยู่เราก็จะอยู่ให้อานอนท์ก็ไม่เคยขอสักทีแต่พระพุทธเจ้าจะบอกโดตรงว่าอานอนท์เธอต้องขอเราอย่างนี้มันก็มัน ก, น ก, น ก, นก็เป็นการบังคับเขาใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เพียงจะบอกกุศโลบายแบบ ว, ว่าอคนอย่างพระพุทธเจ้านี้ถ้าอยู่อยู่ต่ออีกยี่สิบสามสิบปีก็อยู่ได้แต่ต้องมีเหตุ พูดแทนนี้ถ้าไม่พูดมาเหตุ น, นั่นคืออะไรอานนท์ก็ไม่เข้าใจว่าถ้าอยากให้อยู่ก็ขอสิขอให้พรพุทธเจ้าอยู่ต่อเพราะาอานนท์นี้ต้องเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าไงถ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอานนท์ไม่อยากจะรับใช้ก็เหมือนกับบังคับให้อานนท์ต้องมาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยไม่สามารถที่จะบอกอานนท์โดยตรงได้แต่อานนท์ก็ฟังแล้วไม่เข้าใจตอนหลังเขามาสอบถามหลังจากที่พระเจ้าตายไปแล้ว ว่าพระ อ, อนุนนี้ไม่ได้ขอให้พุทธเจ้าอยู่ต่อก็เลยปรับโทษพระอานุนในฐานะที่โง่ไม่ใชละไม่เข้าใจากุศโลบายของพระพุทธเจ้าที่จะอยู่ต่อเพื่อประโยชน์ของคนอื่นแต่ถ้าบอกว่าจะอยู่เพื่อตัวเองมันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นกิเลสไปน้องอยู่ก็เพราะมีคนขอร้องให้อยู่เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา